การปฏิบัตินะต้องช่วยตัวเองใครก็ช่วยเราไม่ได้ครูบาอาจารย์บอกวิธีปฏิบัติให้เรารู้วิธีแล้วเราต้องทําด้วยตัวเราเองฟังแล้วก็ไม่เอาไปทำเนี่ยไม่ไม่ได้อะไรขึ้นมาในคนที่จิตใจรักการปฏิบัติเนี่ย มันจะไม่ลืมไม่หลงละเลยคนไม่ได้สนใจจริงไม่ได้รักการปฏิบัติจริงก็หลงโลกไปวันหนึ่งวันหนึ่งไปเดี๋ยวนึงก็ปีหนึ่งละนี่เข้ามาเดือนตุลาอีกแล้วเพิ่งฉลองปีใหม่ไม่นานเลยก็หมดไปหนึ่งปีรวดเร็วมาก เราอย่าให้ใจทิ้งวันๆเราหายใจทิ้งไปเยอะแยะเลยหายใจแล้วก็รู้สึกหายใจแล้วก็รู้สึกไปมีลมหายใจเป็นเพื่อนไม่ต้องมีเพื่อนอื่นก็ได้เราอยู่ลำพังมีลมหายใจเป็นเพื่อนไป ให้ใจออกรู้สึกตัวให้ใจเข้ารู้สึกตัวไปซ้อมมาไว้ต่อไปพอเราแก่แนละ้วที่เราก็ต้องอยู่คนเดียวบางคนอยู่คนเดียวตั้งแต่หนุ่มแต่สาวนะไม่มีแฟนไม่มีลูกอะไรอย่างนี้นมีแฟนมีลูกลูกมันโตขึ้นลูกก็ออกไป เดี๋ยวนี้ลูกก็ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็อยู่กันสองคนตายายถ้าไม่มีคู่ก็อยู่คนเดียว้อยู่สองคนแล้ววันหนึ่งมันก็เหลือคนเดียวนี่เราต้องซ้อมที่อยู่คนเดียวให้ได้ไม่งั้นพอถึงวันที่มองไปรับตัวไม่มีใครเหลือนะ ไม่จะทุกข์นทนไม่ไหวรู้สึกว่างเปล่าเหลือเกินชีวิตนี้อาจจะมีเงินมีทองนะแต่มันไม่มีใครอยู่ด้วยแนละ้วที่ไม่มีเงินยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่มีกินไม่มีอะไรนะี่ช่วยตัวเองก็ไม่ได้นอนจมมอือจมสีอยู่งั้นนี่เราหวัง พึ่งคนอื่นหวังยากบืองคนสมัยก่อ น, นก็มีลูกหวังพึ่งลูกเดี๋ยวนี้พึ่งไม่ได้หวังมีคู่ชีวิตมันเกิดเหลืออยู่คนเดียวไม่มีคู่ชีวิตแล้วนี่เราซ้อมนะอยู่กับธรรมะอยู่กับลมหายใจของเราอย่าหายใจทิ้ง ใหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไปเรื่อยๆเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไปเรื่อยเราจะไม่เหงาไม่ว้าเวเมื่อเรามีลมหายใจเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่ไม่ทิ้งเราจนวันตายะตายเมื่อไหร่ก็ทิ้งกันมนื่อ น, นะ้ก็เลิกหายใจยังไม่ตายยังหายใจอยูนะ่เพื่อนตัวนี้ยังไม่ทิ้งเรา คนอื่นสิ่งอื่นทิ้งเราได้ลมหายใจมัยังไม่ทิ้งเราไปงั้นหัดอยู่กับมันให้คุ้นเคยหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไปเรื่อยๆหายใจอย่างเดียวไม่พอบางคนใจมันฟุ้งมากเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเราจะถนัดหายใจเข้าพูดหายใจออกโท เราไม่เริ่มต้นด้วยการหายใจออกก่อนแล้วทำไมหลวงพ่อให้หายใจออกก่อนหายใจออกก่อนเนะยใจมันจะคลายหายใจเข้าก่อนเนะใจมันจะแน่นแน่นแล้วเราผสมเข้ากับพุทธโทธได้ไงเริ่มต้นเวลาเราจะพาวนานเราหายใจทิ้งไปหน่อยหนึงหายใจออกทิ้งมันไปไม่ต้องบริกรรมแล้วตอนที่หายใจเข้าเนี่ยค่อยพุทใหม่ ฝึกมีลมหายใจเป็นเพื่อนไปไหนมันก็ไปกับเราคนอื่นทิ้งเราไปหมดแล้วมันยังไม่ทิ้งวันที่มันทิ้งเราเราก็ทิ้งมันเหมือนกันไปด้วยกันตายด้วยกันพยายามฝึกให้มากแล้วเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของการที่เราฝึก ใจิตใจเคยว่นวายมันจะเริ่มสงบนะใจิตใจเคยถูกกิเลสรุนแรงครอบงำกิเลสก็จะอ่อนแรงลงเพราสมาธิมันเกิดมันข่มกิเลสได้ด้วยอำนาจของสมาธินี่พอเราหายใจไปใจิตใจมันมีเรี่ยวมีแรงมันมีกําลังขึ้นมาเรฝึกทุกวันทุกวันในหายใจได้แหละ ไม่ต้องอยากดีอยากเด่นอะไรกับใครเ็าหรอกมีลมหายใจเป็นเพื่อนไปเรื่อยๆจิตจะค่อยๆสะสมมีพลังขึ้นมาพอจิตมีพลังเราก็เริ่มเดินปัญญานะถ้าจิตมันไปติดสมาธิลึกมากหายใจยลมหายใจระงับไปกลายเป็นแสงสว่างอยู่กับแสงสวาง่างห้เกิดปีติเกิดความสุข รู้ว่ามีปิติรู้ว่ามีความสุขปิติสุขดับไปนะไป็นูเบกขาบางทีโลกทั้งโลกหายไปร่างกายหายไปเนี่ยเริ่มมาจากการหายใจนี่นะฝึกไปเรื่อยๆจนโลกดับเลยเนะหลือแต่จิตดวงเดียวก็ยังใช้ได้นี้ถ้าจิตเราเข้าสมาธิลึกแบบนั้นพอถอยออกมาแล้วเนี่ยจะเดินปัญญาเนี่ยขอแนะนำให้ดู ก, กาย หรือดูเวทนาดูกายของเราไปเห็นกายหายใจใจเป็นคนดูไปนี่จิตมันเคยมีพลังมากแล้วพอร่างกายหายใจใจเป็นคนดูมันจะรู้เลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราหรอกเดี๋ยวเมื่อกี้เรานั่งสมาธิร่างกายหายไปเลยเลยแต่จิตเพราะนั้นกายกับจิตนี่เป็นคนละาันกัน แล้วก็นั่งรู้นั่งดูไปเห็นกายไม่ใช่เราเลยตัวที่นั่งหายใจอยู่นี้ไม่ใช่เราเฝ้าดูไปเรื่อยๆอันนี้ก็ทางเส้นทางหนึ่งสำหรับคนเข้าสมาธิลึกๆได้ซึ่งในยุคเราเนี้ยหาคนเข้าสมาธิลึกเนี้ยหายากเราอยู่กับความวุ่นวายตอลอดเวลาบางทีเราไม่อยากวุ่นวายคนอื่นก็มาวุ่นวายกับเรา ชวนเราทำโน้นทำนี่อะไรเงี้ยเราอยากอยู่เงียบเงียบภาวนาคนก็อย่ามายุ่งกับเราบางทีแมไม่มีใครยุ่งกับเราเราก็ไม่ยุ่งกับคนอื่นเล่นอินเทอร์เนต็ตเนี่ยตัวสําคัญไหมทาให้ลืมเนื้อลืมตัวดีที่สุดเลยนี่ถ้าใจเราฟุ้งซ่านเราก็มานั่งหายใจอย่างนี้แหละฝึกเอาอดทนเอาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปจิตไม่รวม นะไม่สว่างขึ้นมาไม่รวมขึ้นมาก็ไม่เป็นไรเนะขอแค่มีสติในการหายใจไปเรื่อยๆหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไปเรื่อยๆอย่าใจลอยอย่าาลงอย่าลืมนะรู้สึกไปบ่อยๆเราทำได้ต่อไปมันจะเริ่มมีพลังขึ้นมานะใจมันจะเริ่มมีพลังมากขึ้นมากขึ้นนะใจมันจะเป็นคนดู เห็นร่างกายขอคงถูกรู้ถูกดูก็เห็นได้เหมือนกันไม่ถึงขนาดต้องเข้าฌานก่อนหรอกแค่หายใจใจสงบใจสบายไปก็ เ, เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูมันก็เริ่มแยกขันละแยกขาดแยกขันได้แยกขันได้ไดมัก็เริ่มเดินบัญญาได้เห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่ง เริ่มต้นง่ายๆแล้วการหายใจเล่นๆนี่แหละมีลมหายใจเป็นเพื่อนหายใจไปเรื่อยๆหายใจมีแรงแล้วใจเป็นคนดูขึ้นมาเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูต่อไปก็เห็นร่างกายไม่ใช่เราหรอกร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นของที่เรายืมโลกมาใช้เบื้องต้นเราก็ยืมเชื้อสายพันธุ์จากพ่อจากแม่มา เกิดเป็นชีวิตขึ้นมาแล้วอยู่ในท้องอาศัยอาหารจากแม่เลี้ยงศัยอากาศจากแม่คลอดออกมาเใส่พ่อแม่ป้อนนมป้อนข้าวให้กินว่าหายใจไปค่อยๆตัวโตขึ้นมาตัวออกใหญ่ตัวออกโ ต, ต, ตทุกวันเนี้ยก็มาจากของข้างนอกทั้งหมดอะ มาจากอาหารมาจากน้ำมาจากอากาศก็คือยืมวัตถุธาตุซึ่งมีอยู่แล้วในโลกเอามาใช้เรนร่างกายนี้เราเป็นของที่เรายืมมาจากข้างนอกเนี่ยเฝ้ารู้ไปนะใจเป็นผู้รู้ผู้ดูจะเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นสมบัติของโลกเราว่าเป็นตัวเราเรารักเราหวงแหน ถึงวันหนึ่งเราก็ต้องคืนเจ้าของเวลาไม่สบายลุกไม่ขึ้นนอนกระดุกกระดิกไม่ได้แล้วสั่งไม่ได้แล้วร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราอีกต่อไปละหรือมันจะแก่สั่งมันอย่าแก่มันก็สั่งไม่ได้สั่งมันอย่าเจ็บมันก็สั่งไม่ได้สั่งมันอย่าตายมันก็สั่งไม่ได้มันไม่ใช่สมบัติของเราจริงวันหนึ่งเราต้องคืนโลกเขาไปคืนเจ้าของ ออคืนโลก น, นั่นเองเนี่ยถ้าเราพาวนาทุกวันทุกวันนะใจเราก็เห็นร่างกายนี้มันสมบัติของโลกอย่าว่าแต่ลูกเมียทรัพสมบัติอะไรเลยกระทั่งร่างกายเราก็าเป็นของยืมเขาไม่ใช้ทรัพสมบัติลูกเมียสามีอนะไรนี่มันยิ่งนอกออกไปอีกระหว่างร่างกายเราใช่ไหมเกือบ โลกเราเนี่ยร่างกายเนี่ใกล้ชิดเรามากกว่าลูกเราอีกร่างกายใกล้ชิดเรามากกว่าสามีรภรรยาเราอีกไม่ยังไม่ใช่ของเราเลยคนอื่นสิ่งอื่นมันจะเป็นของเราไปได้ยังไงเนี่ยเราฝึกทุกวันทุกวันนะเห็นความจริงขห้นมามากขึ้นมากขึ้นไปต่อไปถึงวันที่ต้องอยู่คนเดียวก็ไม่ใช่เรื่องแปลกของอื่นก็คืนโลกไปก่อนแล้วนะ ลูกเต้าทรัพย์สินครอบครัวอะไร น, นงคืนไปก่อนแล้วของสุดท้ายที่จะต้องคืนก็คือร่างกายนี้แหละงั้นฝึกนะฝึกจะเราคืนได้ก่อนจะตายจริงจริงก่อนจะถูกบังคับให้คืนเฝ้ารู้เฝ้าดูลงในกายหายใจไปเรื่อยรู้สึกกายไปนะแล้วถ้าใจมันหนีไปรู้ทันว่าใจมันหนีไป อันนี้สําหรับคนที่เอาลมเป็นเครื่องอยู่นะลมมันเป็นกายแต่ถ้ า, าจิตเป็นเครื่องอยู่ก็ใช้ลมได้หลวงพ่อตอนหัดทีแรกหลวงพ่อก็ใช้ลมพอมันเจอลมพปดดุลนัหลวงพ่อเจริญปัญญาด้วยกันดูจิตเอาเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเกิดดับไปเรืเ่อยๆเดี๋ยวมันก็ไปทํางานทางตาคือไปดูรูป ไปทำงานทางหูไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สมัมผัสในร่างกายไปคิดนึกทางใจเนี่ยเห็นจิตมันทำงานไปเรื่อยๆใช้จิตเป็นวิหารธรรมใช้จิตเป็นวิหารธรรมไปช่วงหนึ่งกำลังของจิตตกต้องกลับมาทาอนาปนานสติอีกชาร์จพลังขึ้นมาใหม่ใช้กายอนาปนานสติลมหายใจนเป็นส่วนของกาย พอเรารู้กายรู้ลมหายใจไปจิตมีพลังขึ้นมาจิตมีพลังขึ้น ม, มันก็ไปเห็นจิตได้นีที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่ารู้กายก็เพื่อให้เห็นจิต น, นี่ถ้าเราจะเดินปัญญาด้วยการดูจิตเรารู้สึกหายใจไปก่อนใจมีแรงแล้วใจมันเคลื่อนไปหลงไปดูรู้ทันลงไปฟังรู้ทางนัหลงไปดมกลิ่นรู้ทันหลงไปลิ้มรส ไปกระทบสัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจค่อยรู้ทันไปฝึกไปในส่จิตขยับขยือนอะไรก็เห็นหมดอนะ่ะเราจะค่อยๆเห็นนะจิตไม่เที่ยงจิตไม่ใช่ตัวเรามันเคลื่อนไหวได้เองค่อยๆฝึกนะดูไปสักพักหนึ่งจิตหมดแรงจิตหมดแรงกลับมาทำสมถนะสมถะที่แนะนำก็ใช้กาย ดูร่างกายหายใจดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนดูร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งอะไรเงี้ยมันของดูง่ายจินเป็นนามธรรมมันเบามันละเอียดมันไม่มีรูปร่างมันดูยากงั้นเวลาเราอยากชาร์จพลังของเราเนี้ยมาที่กายจะง่ายหน่อยเห็นกายหายใจออกเห็นกายหายใจเข้าไป มันถ้าเดินปัญญาด้วยการดูกายก็ดูต่อไปเลยกายนี้เป็นของยืมโลกมาใช้ถ้าหายใจไปแล้วจิตมันชอบเดินปัญญาด้วยการดูนมามธรรมหายใจไปจิตฟุ้งซ่านก็รู้หายใจไปจิตสงบก็รู้หายใจไปจิตดีก็รู้จิตโลบโกรดหลงอะไรเงี้ยก็รู้เอาจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตเฉยเฉยก็รู้ หายใจไปแล้วจิตเป็นไงก็รู้อันนี้เราเดินปัญญาต่อไปโดยการใช้นมามธรรมถ้านะเราจะใช้รูปธรรมก่อนเนดูลงในรูปนีในกายนี้แหละเป็นของที่ยืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวไปทางไหนก็ได้แล้วแต่ถนัดถนัดกายก็เอากายถนัดเจริญปัญญาด้วยการใช้จิตก็ใช้จิตไปแต่ไม่ว่าจะทำวิปัสนา ด้วยกายหรือด้วยจิตนะมันทิ้งสมาธิแต่ทีเดียวไม่ได้หรอกแต่ถ้าดูกายเนี่ยสมาธิลึกๆหน่อยแล้วมีพลังมากดูกายได้ดีดูเวทนาได้ดีจิตเนี่ยใช้สมาธิตื้นๆใช้แค่คณิกาสมาธิอย่างเราหายใจอยู่จิตนี้ไปเรารู้จิตนี้ไปเรารู้เนี่ยเราได้คณิกะสมาธิได้สมาธิที่ลักขณะขณะเนี่ยเดินปัญญาด้วยกันดูจิตได้ งั้นกนยายานุปั ส, สนาเวทนานุนปั ส, สนาเนี่ยเหมาะกับสมถายานิกเหมาะกับคนเล่นสมาธิเยอะๆจิตตานุนปั ส, สนาธรรมานุนปั ส, สนาเนี่ยเหมาะกับ ว, วิปัสสนาญาณิกใช้สมาธิแค่อุปจราระก็ไปได้แต่ตอนความรู้จะแตกหักนะปัญญาแตกหักเกิดมากเกิดผลอะไรเนี่ยจิต้องถึงอภนานะ อยู่โลกโลกข้างนอกนี่แล้วนึกๆเอาเองว่าบรรลุชั้นนั้นชั้นนี้ไม่จริงนะไม่ได้ะอย่างน้อยต้องได้ปฐมฌ า, านแต่ไม่ต้องตกใจอ่ะถึงเวลามันเป็นเองแหละเราไม่ได้คิดเรื่องชงเรื่องฌานอะไรกับใครก็หรอกะเรารู้ทันจิตขยับขยืขย่นเคลื่อนไหวรู้ไปเรื่อยๆถึงเวลาที่อริยมรรคจะเกิดจิตจะรวมเข้าฌานของจิตเองเราไม่ต้องทําเลยมันเข้าเอง แล้วไปเดินปัญญาในฌานสองสามขนาดเท่านั้นก็วางถวนกระแสเข้ามาหาธาตุรู้นั้นเกิดมากเกิดผลขึ้นมางั้นหลวงพ่อบอกพวกเราเลยนะพยายามฝึกทำกรรมฐานไปกรรมฐานที่หาง่ายก็คือลมหายใจนี่แหละบางคนจะต้องเพ่งเทียนเพ่งไฟไปไหนก็พกไฟไปด้วยเนะก็ไม่ให้ขึ้นเรือบิน คือเราเบียนแล้วทำไงอ่ะไม่มีไฟจะจุดไม่มีเทียนจะจุดแล้วภาวนาไม่ได้แล้วหรือโคมา่าอยู่ในห้อง i c ซจุดไฟไม่ได้เคยเล่นแต่กระสินไฟม่ะไ่จะทำยังไงเล่นลำบาก ล, ลมหายใจไม่ทิ้งเราไปไหนหรอกะทิ้งเมื่อไหร่ก็ตาย เราใช้ลมเป็นเพื่อนนี่แหละไม่ต้องซื้อนะใช้เทียนใช้หลอดไฟใช้อะไรนะเสียเงินทั้งนั้นนะลมหายใจตอนนี้ยังไม่ต้องเสียเงินนะอีกหน่อยไม่แน่อากาศโสโผลมากกว่านี้นะคงต้องซื้ออากาศกระป๋องมาหายใจกันแนละ้วตอนนี้ยังพอหายใจฟรีอยู่นะเราก็ใช้ทรัพยากรที่เรามนะีเป็นเครื่องมือของการปฏิบัติ หลวงพ่อใช้ลมก็ใช้ลมสบายสบายยังไงก็หายใจอยู่เคยเจอครูบาอาจารย์คหนึ่งนะไม่รู้จักชื่อท่านหรอกแต่ท่านภาวนาดีหลวงพ่อไปเยี่ยมครูบาอาจารย์ที่รู้จักที่โรงพยาบาลศิริราชไปเจอท่านนอนอยู่บนเปลที่เขียนได้อไม่มีห้อง แต่นนั้นห้องมันเต็มมันนอนอยู่ตามระเบียงคนไข้เยอยะๆเลยเห็นคนนอนเจ็บป่วยนะโอย้โอดครวนทุกทรมานร้อนก็ร้อนไม่มีแอร์อยู่ตรงนั้นเดินผ่านไปเจอหลวงตาวงนี้นะตาองนี้นอนเฉยตาหนาใสกลิบเลยหลวงพ่อเดินเข้าไปหาท่าน ถามว่าท่านภาวนาอย่างไรดูสิแทนที่จะถามว่าท่านเชื่ออะไรอยู่ที่ไหน <c oughs> ไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนั้นนะถามว่าหลวงพ่อภาวนาไงครับท่านภาวนาดีท่านก็บอกว่าท่านใช้พุทโธไม่ได้ใช้ลมด้วยนะท่านใช้พุทโธแล้วท่านถามแโ้มยมใช้อะไรบอกผมใช้ลมหายใจ ท่านบอกแล้วเวลาหายใจไม่ออกโยมทําไงอ่ะเกิเจอทีเด็ดมากกว่าเราอยู่เราบอกไปไหนเราก็หายใจใช่ไหมเกิดหายใจไม่ออกจะทําไงอ่ะเกิดจมอยู่ในน้ําอะไรเงี้ยนะหรือจมูกอุดตันเงยหายใจไม่ออกท่านบอกถ้าท่านหายใจไม่ออกท่านก็ยังพูดโธได้หลวงพ่อก็บอกว่าผมก็พูดโธเหมือนกันแหละะแต่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทร ถ้าหายใจไม่ได้ก็เหลือแต่พูดโทนะเขาพูดกันรู้เรื่องอยู่นี่ถ้าเราทํากรรมฐานที่ต้องใช้วัตถุสิ่งของภายนอกนะมันลําบากอย่างอย่เพ่งเทียนเพ่งอะไรอย่ลเสียค่าไฟหลังๆเขาก็ไม่เพ่งเทียนก็นกลัวไฟไหม้ก็ เ, เพ่งหลอดไฟอ่าให้แสงจ้านักก็แล้วกันะ หลอดไฟพอมีแสง น, นิดหน่อยอย่าสีแดงสีเหลืองสีเขียวอะไรก็ได้ก็ดูหลอดไฟหลับตาลงยนหลับตาหรือลืมตาก็เห็นเหมือนเหมือนกันแต่นั้นจะย้อนกลับเข้ามาเจริญปัญญานี่ยากหน่อยเงินไม่ค่อยแนะนำกระสิญญนเล่นเราก็มีฤทธิ์ได้นะแต่จะเดินปัญญาต่อเนี่ยไม่ใช่ง่ายไะเพราะกระสินมันดูออกนอก ลมหายใจมันดูเข้าข้างในะในเวลาเราใจเราหนีไปข้างนอกเราหายใจนะหายใจไปเรื่อยๆอย่าดึงจิตนะหายใจเรื่อนๆไปนะเห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยจิตจะกลับเข้ามาเองจิตจะเข้าฐานเองไม่ต้องดึงไม่ต้องออกแรงเพราะฉะนั้นพยายามฝึกของเราไปเรื่อยๆอหายใจไปพุทโธไปอะไรเงี้ยฝึกไปไม่ถนัดจริงๆ่าใช่อย่างอื่นก็ได้จะบริกรรมอะไรก็ได้ ถ้าบริกรรมก็คอยรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไปเห็นนามาภะท า, าสัมมาอรหังอะไรเงี้ยเห็นสัมมาอรหังบางทีเขาพ่วงเข้าไปกับร่างกายเห็นร่างกายหายใจก็พ่วงสัมมาอรหังเข้าไปด้วยนามาภะทาบางทีก็พวก่วงลมหายใจเข้าไปด้วยลมหายใจนะี่เลยครูบาอาจารย์ท่านบอกนะมันเป็นกรรมฐานแม่มึงครอบคลุมกรรมฐานอื่นเอาไว้หมดนะ นี่ถ้าเราฝึกนะหายใจเรารู้สึกหายใจล้วรู้สึกไปทุกวันทุกวันสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างขั้นแรกเลยนะหายใจล้วรู้สึกไปเรืยสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างจิตจะค่อยๆมีพลังนะจิตมันมีพลังแล้วมันถึงจะเดินปัญญาได้จะเดินปัญญาด้วยการดู ก, กายต่อไปก็ไดนะ้เห็นร่างกายนี่เป็นของไม่เที่ยงเห็นร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา เห็นร่างกายนี้เป็นของที่เรายืมโลกมาใช้เดี๋ยวต้องคืนเขาที่หลังหรือพอเราหายใจจิตมีพลังแล้วนะจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้เราเจริญปัญญาด้วยกันดูจิตต่อไปเลยก็ได้เงมนเบื้องต้นก็ทำสมาธิให้ได้สก่อนให้จิตใจตั้งมั่นมีเรื่องมีแรงสกอนแล้วก็ค่อยฝึกเจริญปัญญา จเจริญปัญญานะถ้าเราดูจิตไม่ต้องใช้สมาธิลึกถ้าดูกายดูเวทนาต้องใช้สมาธิมากหน่อยโดยเฉพาะเวทนาเวทนานเนี่ยทางกายนะถ้าสมาธิเราไม่พอนั่งดูล่างกายเจ็บปวดอะไรเงี้เดี๋ยวทนไม่ไหวสติจะแตกเนาะเราซ้อมดูเวทนาก็ได้นะซ้อมดู เวลาที่ซ้อมดูเวทนาดีที่สุดเลยนะสำหรับคนที่ไม่ได้ป่วยไข้อะไรอนะ่ะคือเวลาทำฟันนึกแล้วเสียวไหมเนี่ยเป็นเวลาฝึกดูเวทนานะหมอบางคนก็นุ่มนวนนะฉีดยาชาฉีดแลยเอชาได้ที่แล้วก็ถ่อยทำถอนฟันทำโน้นทำนี่ขูดลึกๆอะไรเงี้ย หมอบางคนใจร้อนฉีดยาชาปุ๊บถอนฟันปับนะ๊บคนไข้ก็อ้าปากค้างน้ำตาร่วงร้องไม่ออกนะเขาคีมอยู่ในปากพอหมอถอนเสร็จไม่เจ็บละเพราะยาชาออกฤทธิ์พอดีนั้นกรรมของเรานะเนี่ยเวลา เจ็บป่วยนะไปดูตอนทำฟันเนี่ยเขากรอฟันมันทีก็เจ็บอย่ไหมเขาขูดหินปูนแค่ขูดหินปูนที่ยังเจ็บเลยนะเจ็บดูไปร่างกายนอนอยู่นะความเจ็บปวดแทรกเข้ามาแล้วจิตใจก็ทุรนทุรายแล้วพเจ็บมากๆทุรนทุรายมากๆดูอะไรไม่รู้เรื่องแล้ว น, นี่ฝึกยังไม่ดีพอ ถ้าฝึกดีพอก็เห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาคือความเจ็บปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งแยกกันอยู่ก็ไม่ทุรนทุรายเจ็บก็ส่วนเจ็บไปนะจิตก็เป็นคนดูไปร่างกายก็ส่วนร่างกายไปเนี่ยฝึกนะกรรมฐานนะจะช่วยเราได้เยอะเลยกระทั่งตอนทําฟันไม่ต้องนับถึงตอนจะตายตอนอะไรหรอกฝึกของเราไปเรื่อย ตอนเจ็บป่วยจะตายจริงๆขับรถอยู่ดีๆรถมันทุกชนเราเราขับดีคนอื่นขับไม่ดีเจ็บปวดไม่อดครวนอะไรมากมายน่ะก็ดูลงไปร่างกายมันเจ็บแล้วร่างกายมันกำลังจะหยุดหายใจแล้วอะไรเงี้ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเพื่อได้ของดีปล่อยวางได้ การปล่อยวางจนเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ได้ปล่อยวางอะไรมากนะจริงๆอ่ะปล่อยวางกายปล่อยวางปล่อยรูปปล่อยจิตปล่อยเจตสิกปล่อยสามอย่างปล่อยกายปล่อยความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายปล่อยความรับรู้อย่างเราภาวนาภาวนาไปวันทีเนี้จิตมันปล่อยจิตจิตมันวางจิตลงไป ถ้ามันยังไม่เต็มภูมิมันวางแล้วเดี๋ยวมันก็หยิบอีกถ้ามันเต็มภูมิแล้วมันวางแล้วก็วางเลยนะไม่เดือดร้อนอะไรอีกแล้วปล่อยจิตไปตัวเดียวมันก็ปล่อยเจตสิกไปด้วยก็มันให้รูปนะั้นมันปล่อยง่ายอยู่แนละ้วก็ปล่อยจิตได้ที่เดียวแนละ้วก็ปล่อยทั้งหมดนะค่อยๆฝึกไป เวลาที่เหลือบรรลุพระอรหันต์แล้วอรหันต์ก็จะลญสติปัฏฐานแต่ทําเป็นเครื่องอยู่แนนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโธเคยทํามาแล้วก็ทําทต่อไปนะทําเป็นเครื่องอยู่เครื่องเล่นนะทําเป็นที่อาศัยเท่านั้นเองเคยแทนจงกรมก็เดินเป็นเรื่องธรรมดาบางค์ก็มีเครื่องอยู่อย่างอื่นะ อย่างพระนุรุษเครื่องอยู่ท่านไม่ได้ดูกายไม่ได้ดูเวทนาไม่ได้ดูจิตตัวเองเลยท่านดูโลกธาตุภายนอกดูสัตว์ตัวนี้ตายไปเกิดที่โน้นตัวน้นตายไปเกิดที่นี่เครื่องอยู่ของท่านอยู่ข้างนอกเลย อ, อยู่ข้างนอกเลยท่านทำได้พวกเราทำไม่ได้เราฟุ้งซ่านตายเลยท่านไม่มีกิเลสเครื่องอยู่ของท่านยังไงก็ได้ อางหลวงปู่ดูล น, นะท่านบอกเครื่องอยู่ของท่านคือรู้คําว่ารู้ท่านหมายถึงความว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างท่านอยู่กับสุญญาตาบางทีท่านอยู่ตรงนี้บางทีร่างกายท่านหายไปเลยนหายไปได้เลยบางองค์อย่างหลวงปู่ขาวหลวงปู่เทศอนะไรเนี้ย เครื่องอยู่ของท่านก็คือเมตตาอปัมัา ญ, ญาเมตตาไม่มีประมาณ น, นแต่เราองค์ท่านอยู่ไม่เหมือนกันหรอกเหมือนเราไปรู้จักครูบาอาจารย์เยอะๆนะหลายๆองค์ที่ท่านพอวนาดีๆเนะ่นยเาพบอย่างหนึ่งไม่มีองค์ไหนเหมือนองค์ไหนเลยทางใครทางมันจริงๆไม่มีใครเหมือนใครหรอกเป็นเรื่องเฉพาะตัว แต่ถ้ามาตรฐานเลยก็คือทําสติปัฏฐานไปอย่างพระลูกศิษย์ เ, ยเคยถามหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านทําสติปัฏฐานด้วยการเดินจงกรมอนะไรนั่งสมาธิลูกศิษย์ก็ถามบอกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วยังภาวนาอยู่ทําอะไรทําไมต้องภาวนาอีกบอกสมาธิเป็นของเสื่อมก็ต้องซ้อมเอาไว้ใช้ นี่พวกเรายัางงงพระนาคาพาาาระอรหันต์เียสมาธิบริบูรณนะ์แล้วทำไมหลวงปู่มัน่นบอกสมาธิเป็นขอ ง, ของเสื่อมมันสมาธิคนละตัวกันสมาธิที่จะใช้งานกับโลกนะี่มันตัวหนึ่งนะสมาธิที่จิตมันทรงตัวอัตโนมัติจยูอะไรอะไรก็เข้ามาครอบงําจิตไม่ได้มันเป็นอีกตัวหนึ่งงั้นอย่างเราจะทํางานทางลอกเนะี่สมาธิมันเป็นอีกแบบนะึง คนละอย่างกันเครื่องอยู่ไม่เหมือนกันนะถ้าเราต้องมีเครื่องอยู่ของเรานะถึงวันที่ต้องอยู่คนเดียวเราจะได้อยู่ได้เตรียมตัวไว้เถอะนะถ้าไม่รถทับตายไปอย่างรวดเร็ววันหนึ่งเราจะได้อยู่คนเดียวนะพร้อมไหมไม่ใช่ง่ายนะ ตอนตอบหลวงพ่อว่าพ ร, พร้อมพร้อมเดี๋ยวออกไปข้างนอกก็ไม่พร้อมแล้วเดี๋ยวก็ลืมตัวเองแล้วพอรถทับตูมไึ้มาหรือเกิดอะไรขึ้นมานกิ่งไม้ใหญ่หญัหหกตกใส่หัวอะไรเงี้ยไม่พร้อมแล้วงนานธรรมะไม่ใช่เรื่องโฆษณาชวนเชื่อนะอยู่ที่ต้องฝึกซ้อมเอาให้ได้จริงๆ หลวงพ่อตอนเป็นโยมหลวงพ่อเคยฝึกนะตอนนั้นจิตหลวงพ่อไม่ได้ตั้งได้ตลอดเวลาทีจิตก็เคลื่อนได้ทีจิตก็ถูกอารมณ์ครอบไว้เนหะลวงพ่อก็ฝึกตัวเองนะในสามวินาทียจิตจะต้องเป็นอิสระขึ้นมาให้ได้ฝึกอย่างนี้เลยนะยังจิตถูกอารมณ์ครอบไว้มัวมัวอะไรเงี้ยพอรู้ปุ๊บเนี่ยนะในสามวินาทีเนะี่ย ต้องสว่างขึ้นมาได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาได้เนยส่วนถัดจากนั้นมันจะเดินปัญญาเป็นสมาสีสีหรือไม่อะไรเงี้ยก็แล้วแต่บุญแต่กรรมแต่อย่างน้อยก็ไม่ไปอบาบัยตั้งเป้าไว้อย่างนี้ไม่ให้ไปอาบายอีกไปมามากแล้วก็พอแล้วต่อไปนี้จะไม่ยอมไปอาบายแล้วมีสติไว้แล้วจะไม่ไปอาบายนะ ฝึกไปเรื่อยอย่างเวลาใจลอยเรารู้ว่าใจลอยปุ๊บเนี่ยในสามวินาทีนะใจตั้งมั่นได้ไหมถ้าไม่เอาสามวินาทีอย่างรถชนเราเนะอาจจะมีเวลาสองสามวินาทีนะตั้งหลักก่อนจะตายอเงี้ยอยู่เว้นฟ้าผ่านะก็เร็วหน่อยนะใครเคยสะบานไหมให้ฟ้าผ่าจรันมโนเพชรเคยสะบานไหร้องเพลงนะให้ฟ้าผ่าหัวแม่เมีย <laughs> ไม่ผ่าตัวเองนะเป็นผ่าแม่ใหญ่อย่างนั้นมีเวลาเยอะถ้าโถนฟ้าผ่าตัวเองนะวินาทีหนึ่งไม่ทันนะไม่ต้องฝึกจนอัตโนมัตินะจิตมันทำงานอัตโนมัติถึงจะสู้ได้ของเราสักสามวินาทีห้าวินาทีอนะไรเนี่ยฝึกให้ได้ไม่ใช่จิตมืดนี้นะแล้วก็ชั่วโมงหนึ่งก็ยังไม่พ้นนะ วันหนึ่งก็ไม่พ้ น, นอย่างี้อยอนี้ยังไม่ปลอดภัยหรอกยังไม่ปลอดภัยต้องฝึกให้ได้ในเวลาไม่กี่วินาทีานี่ทำไงเราจะฝึกของเราได้หายใจไปพุดโธไปนี่แลหละใจมีกําลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาใจมีกําลังตั้งมั่นเด่นดวงแล้วเนี่ยถ้าจะตายตรงนี้ก็ไปสุคติแล้วนี่ถ้ายังไม่ตายก็เดินปัญญาต่อไป เห็นร่างกายเป็นของที่เรายืมโลกมาใช้อยู่โช่วคราวก็แตกสลายอย่างนี้ก็ได้หายใจไปพูดโตไปพ้จิตมีแรงแล้วเห็นจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาไปทำงานวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดอะไรอย่างนี้รู้ทันมันไปเรื่อยๆนีเราเดินปัญญาด้วยการดูจิตเอาต้องทำนะเตรียมตัวไว้วันหนึ่งจะได้อยู่คนเดียวแหละ คนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นได้อยู่ลำพังใครก็ช่วยเราไม่ได้หลวงพ่อไปเห็นคนใกล้าตายเยอะแยะแล้วนะก็แก่ป่านนี้แล้วไปงานส่วนใหญ่ก็คืองานศพกับไปหาเยี่ยมคนป่วยทุกวันนี้ที่เป็นงานแต่งงานงานสดชื่นอะไรไม่มีแล้วนะไปเห็นคนจะตายนะย ลูกเมียญาติพี่น้องอะไรมันล้อมเตียงอยู่จับไม้จับมือจับขาร้องห่มร้องไห้ถ้าเตือนได้หลวงพ่อก็จะเตืนอนว่าอย่าไปยุ่งองนั้นรักษาจิตให้ดีเวลาไปเยี่ยมคนป่วยอย่าเอาจิตเศร้าหมองไปหาเขาจิตมันดึงดูดกันถ้าจิตทุกคนเศร้าหมองอยู่รอบเตียงนจิตคนจะตายนะมันก็เศร้าหมองละ โอกาสที่มันจะเด่นดวงสว่างสวัยให้มันก็ยากนี่แต่ถ้าเราฝึกของเรามาดีใช่ไมมึงอยากร้องอะไรมึงร้องไปถึงเวลาที่เราจะสู้ด้วยตัวเราเองแล้วไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องไปสนใจคนอื่นละคนอื่นทั้งหมดเลยสามีพันยาลูกอะไรนั่นก็คนอื่นทั้งหมดเลยถึงเวลาที่เราต้องช่วยตัวเองไม่มีใครช่วยเราได้ละ นาทีที่เราจะตายนะไม่ช่วยตัวเองให้ได้เน้นถ้าเราเคยอยู่กับกรรมฐานของเราเนะีเราก็อยู่กับกรรมฐานไปหายใจเข้าพูดออกโทไปหายใจไม่ออกแล้วกนะ็พูดโทพุดโทไปจนกระทั่งจิตมันดับลงไปนะฝึกไวนะ้พอสมควรแก่เวลาหมายเลขสามิบเก้าค่ะ ตอนนี้ปฏิบัติสมาธิโดยการทำวิปัสนาและเป็นผู้นำสมาธิเดินวิชาสิบแปดกายเพื่อให้เห็นดวงธรรมในกายของเราอยากทราบว่าลูกปฏิบัติถูกทางแล้วหรือยังคะถูกถูกทางของลู ก, กอ่้นะหรือควรเพิ่มเติมการปฏิบัติตรงไหนอีกคะยืนสิยืนขึ้นมาขณะนี้จิตมันแน่นๆรู้สึกไหม จิตมันแน่นๆเพราะเราไปบังคับมันอยู่นะเงินจะเดินวิปัสสนาจริงเนี่ยจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นมันถึงจะเป็นวิปัสสนานะจะมาตั้งฐานโน้นฐานนี้อะไรนี่คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาทั้งสิน้นถามว่าถูกไหมก็ถูกแบบของคุณนะแต่ว่าสําหรับหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้ทําอย่างนั้น หลวงพ่อดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นนะชอบอยังไงก็เอาอย่างนั้นแหละมันก็ไม่ได้เลวอะไรหรอกอย่างน้อยก็ไปสุขติได้เออเดี๋ยวว่าจะบอกลืมไปอย่างบางคนถามเป็นเรื่องยาวๆนะมีหลายประเด็นนะช่วยซอยสีฐานให้หลวงพ่อหนะ่อนยะเพราะหลวงพ่อแก่แล้วนะหลวงพ่อฟังเรื่องที่หนึ่ง เตรียมจะตอบเอายังไม่จบเรื่องที่สองถึงเรื่องที่สามไปไปตอบได้แค่เรื่องที่สามนะเรื่องที่หนึ่งที่สองลืมไปแล้วนะ <c oughs> อ่ะตันตอบไปหมายเลขหกสิบอ็ดค่ะส่งการบ้านในรอบสามปีครึ่งค่ะภาพรวมการปฏิบัติยังขาดสมาธิปัญหาที่ทราบคือยังปฏิบัติไม่มากพ อ, อใจยังฟุ้งซ่านยุ่งกับโลกเยอะ ขอหลวงพ่อเมตตาตรวจสอบและชี้แนะการปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองต่อไปเราเรารู้ตัวแล้วนี่ว่าเรายัางทําน้อยนะยุ่งกับโลกเยอะเราก็ยุ่งเท่าที่จําเป็นก็นแล้วกันมีเวลาห้านาทีสิบนาทีอะไรเนี่ยจเจริญสติไปเลยเราไม่ใช่ว่ายุ่งกับโลกได้ตลอดเวลาอย่างเข้าห้องน้ํานะไปนั่งอือนั่งฉี่อะไรเนี่ยมีสติดูกายดูใจของเราไปเรื่อยๆเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆนะ ใจมันจะค่อยๆมีกําลังขึ้นมาบาทีเราก็ใช้สมาธินำบางทีเราก็ใช้ปัญญานำสมาธิเกิดตามอย่างเราดูจิตมันเกิดดับไปเรื่อยๆเดินปัญญาอยูนะ่ที่จิตรวมเข้ามามีสมาธิขึ้นมาก็มีลพลิกไปพลิกมาระหว่างสมถะกับวิปัสสนางั้นเวลาเราภาวนานะถ้าตั้ง อ, อกตั้งใจฝึกของเราไปเรื่อยๆ จะดีจะไม่ดีก็ช่างมันแต่ว่าทำกรรมฐานของเราไปบ่อยๆแล้วใจมันจะมีกำลังขึ้นมาเองโลกเราจำเป็นต้องยุ่งกับมันเพราะเรายังอยู่กับโลกเราก็ยุ่งกับมันเท่าที่จำเป็นบางคนมันหลงโลกไม่ได้มีธุระอะไรมันก็หาเรื่องเข้าผับเข้าบาร์เข้าอะไรอย่างนั้นเสียเวลามาก ยามฝึกรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกอยู่ที่ไหนก็หายใจไปรู้สึกไปบริกรรมไปด้วยก็ได้ใจจะได้มีเรี่ยวมีแรงตอนนี้ใจหนีไปคิดทราบไห้เนะี่ถ้าใจเรามีแรงนะพอมันหนีไปคิดเราจะรู้นะแต่ถ้ามันไม่มีแรงนะมันจะหนีไปคิดเป็นวันเลยยังไม่รู้เลยงั้นถ้าหลงเรารู้ได้เร็วนะี้แสดงว่าใจเรามีกำลัง ถ้าหลงนานแสดงว่าใจเราไม่มีกำลังก็ mm hmm. พยายามฝึกกรรมฐ า, านของเราไปหมายเ้ขหกสิบสองค่ะกราบหลวงพ่อโปรดตรวจการบ้านหากมีอะไรติดขัดผิดทางโปรดช่วยชี้แนะและสิ่งที่ยังขาดที่ต้องปรับปรุงค่ะมันดีขึ้นแล้วละนะแต่มันยังติดเพ่งนิดหน่อยเมื่อก่อนเพ่งหนักกว่า น, นี้เย อ, อะเลยแยกออกอยังดูออกไหมว่าแต่ก่อนนี้เพ่งรุนแรงเลย ตอนนี้เบาลงไปเยอะแล้วแต่ว่าเวลาเรารู้นะืรู้ตัวอย่างเงี้ยใจเราเคลื่อนไปเคลื่อนมาอะไรนะค่อยรู้อย่างเมื่อกี้มันเคลื่อนมาฟังหลวงพ่อแล้วก็เคลื่อนไปคิดอะไรเงี้ยเราก็ค่อยรู้เอาฝึกบ่อยๆ อ, อี น, น่อยก็เก่งนานๆดูทีไม่เก่งสักทีตอนนี้จิตห น, นีไปคิดอีกแล้วทราบไหมเนี่ยฝืก อ, อย่างเนี้ยพยักหน้ารู้สึกไหมรู้สึกปรู้สึกกายรู้สึกใจของเราไป หลงไปคิดอีกแล้วรู้ไหมนะยังหลงคิดเก่งนะแต่ก็ยังดีที่รู้ทันต่อไปรู้ได้เองไม่ต้องให้หลวงพ่อบอกเราถึงรู้นะฝึกของเราเรื่อยๆแล้วรู้เองเก้าสิบสี่ค่ะช่วงนี้ได้ทำการปฏิบัติในรูปแบบเป็นประจำเช้าเย็น ในขณะนั่งสมาธิจะเกิดเหตุการณ์สองแบบคือหนึ่งจิตจะไปรวมกับเวทนาซึ่งปกติจิตจะกระวนกระวายและทำให้นั่งไม่ได้นานก็จะต้องขยับและเลิกนั่งไปสองจิตแยกออกไปเป็นผู้รู้ดูเวทนาอยู่ซึ่งแบบนี้จะทำให้นั่งได้นานและครบตามเวลาที่กําหนดอยากจะขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยชี้แนวทางปฏิบัติต่ตอไปด้วยครับ ที่ทําอยู่นะถูกแล้วนะช่วงไหนสมาธิเราไม่พอเราไปดูเวทนาในจะมันจะทนไม่ไหวมันก็สมาธิแตกกรรมฐ า, านแตกเลิกนั่งช่วงไหนจิตมีกําลังพอมีเวทนาอยู่ก็เห็นกายส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตมันก็ทําได้นานแค่ไหนก็ทําได้นี้อยู่ๆเราไปสั่งให้มันรู้ตัวได้ตลอดเวลามันทำไม่ได้มันอยู่ที่การฝึกของเรา งั้นฝึกซ้ำซ้ำซ้ำไปเรื่อยๆนะใจเราหนีไปก็รู้ใจเราสุขก็รู้ใจเราทุกข์ก็รู้ทํากรรมฐานไปเรารู้ทันใจตัวเองเรื่อยๆไปนะแล้วก็พอใจมันสงบใจมันมีเรื่องมีแรงขึ้นมาเนี่ยไปดูเวทนามันจะทนได้พวกที่ไม่ผ่านเวทนาบางคนทํากรรมฐานด้วยเวทนานะอย่างสายท่านโกินก้าเคยใช้เวทนาเป็นหลัก แต่ก่อนที่เขาจะดูเวทนาเนะขาฝึกอนาปนาสติกันก่อนนะถ้าไม่ได้สมาธิมากพอนะไปดูเวทนานะสติแตกทนไม่ไหวหรอกเดี๋ยวก็เลิกแต่ถ้าสมาธิเราพอใจเรามีกำลังพอมันก็จะแยกขันได้กายส่วนกายเวทนาส่วนเวทน า, นนาจิตส่วนจิตนะก็อยู่ได้นี้บางวันยังอยู่ได้บางวันอยู่ไม่ได้เรื่องธรรมดาฝึกอีฝึกไปอีกนะ หมายเลข96ค่ะตอนนี้บริกรรมพุทโธดูกายเวทนาต่อมาเริ่มฟัง YouTube ของหลวงพ่อช่วงโควิดจึงหันมาดูจิตแต่ไม่ทราบว่าปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าข อ, อคำแนะนำในการปฏิบัติค่ะปฏิบัติถูกจิตสบายขึ้นจิตโปร่งขึ้นรู้เนื้อรู้ตัวได้ดีขึ้น แต่ว่าดูจิตมากๆไปจิตจะหมดแรงนะแล้ต้องกลับมาดูกายนะการดูกายกายเป็นอารมณ์หยาบอารมณ์หยาบนี่มันช่วยเสริมให้จิตใจสติอะไรเนี่ยมันว่องไวขึ้นดูอารมณ์ละเอียดเนี่ยมันละเอียดเกินสติเกินสมาธิเรานีดูไปดูไปเลยเคลื่มเคลื่มไปเลยงั้นเราไม่ทิ้งกายหรอกนะเคยทํากายมาก็ทำเรามีกําลังแล้วเราเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเราก็รู้เอา รู้จิตได้รู้ก็รู้จิตไปรู้จิตไม่ได้ก็กลับมารู้กายไปฝึกก็เราไปเร้่อยๆอย่างนี้แหละหมายเลขร้อยสิบเจ็ดค่ะส่งการบ้านครั้งแรกค่ะอยู่ไหนร้อสิบเจ็ดหมอเห็นจิตฟุ้งจิตคิดจิตโกรธอยากถามว่าที่เห็นอยู่ถูกต้องไหมคะเห็นอยู่ถูก นะแต่สมาธิอะไรไม่พอจิตยังออกนอกอยู่ขณะเนี้ยจิตยังไม่เข้าฐานรู้สึกไหมจิตเหมือนกว้างๆโล่งๆสบายออกไปข้างนอกนะลองหายใจอย่าดึงจิตนะหายใจเฉยๆหายใจเรารู้สึกตัวเฉยๆหายใจไปเฉย ๆ, ๆรู้สึกไหมจิตมันกลับเข้าบ้านแนละ้วดูออกไหมตรงเนี้ตรงนี้กัตะกี้ไม่เหมือนกันดูออกไหม ไอ้ ใ, ใจมันโล่งโล่งว่างๆออกไปข้างนอกงั้นใจมันต้องตั้งมั่นจริงๆในตอนนี้ใจไหลไปคิดแล้วรู้ไหมเนี่ยพอใจเรามีสมาธินะพอมันไหลไปคิดเราก็จะเห็นแต่ถ้ามันไปอยู่โล่งๆอย่างนั้นไหลไปคิดเราก็ไม่เห็นหรอกอย่าไปติดอยู่ข้างนอกะให้ใจมันอยู่กับตัวเองแต่ไม่ได้บังคับให้อยู่กับตัวเองให้ยใจเล่นๆไปแล้วมันกลับมาอยู่กับตัวเองด้วยตัวของมันเอง เราไม่ได้บังคับเพระจิตใจมันอยู่กับฐานแล้วมันเคลื่อนไหวมันจะเป็นยังไงเนี่มันจะเห็นชัดเจนอย่าตอนนี้ใจหนีไปคิดเราทราบไหมเนีย่ยแม้ใจเรามีสมาธิอยู่มันเคลื่อนไปเราเห็นเคลื่อนแล้วเราเห็นแต่ถ้าใจเราไปสบายว่างๆอยู่ข้างนอกเนี่ยเคลื่อนยังไงก็ไม่เห็นหรอกเนีย่ยเรื่องของสมาธิสําคัญมากนะสมาธิที่ถูกต้องเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา สมาธิที่ถูกต้องด้วยมิจฉาสมาธิไม่ได้ทําให้เกิดปัญญามีได้ทําให้เกิดมิจฉาทิฏฐิมากขึ้นวกสมาธิผิดๆนะอย่างสำคัญผิดว่าพันิพานเป็นโลกโลกหนึ่งเราภาวนาแล้ววันหนึ่งเราไปอยู่ในโลกอันนั้นอย่างงี้ในพันิพาณยังมีรูปธรรมมีพระพุทธรูปนั่งอยู่อะไรเงี้ยเน้นไม่ใช่เป็นมิจฉาทิฏฐินะ น, นี่ของเราภาวนาที่ทําอยู่ใช้ได้นะ ที่ฝึกอยู่ฝึกต่อไปอีกจิตจะได้มีกำลังแล้วก็เห็นกายเห็นจิตมันทำงานไปที่ฝึกอยู่ดีนะไปฝึกอีกหมายเลขหนึ่งยสค่ะปฏิบัติในรูปแบบทุกวันด้วยการเดินจงกรมและพยายามมีสติในระหว่างวันแต่ยังหลงยาวและรู้สึกตัวแค่ส่วนน้อย เห็นโทสะความอยากได้ของตนเองบ่อยๆและฟุ้งซ่านเยอะขอคาแนะนาควรเพิ่มในส่วนไหนและปรับนดอะไรบ้างคะก็ต้องมีเครื่องอยู่ของจิตนะถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่เนะี่ยมันจะหลงยาวล้วนะก็ไปเลือกดูอยากได้เครื่องอยู่ชนิดไหนถ้าเครื่องอยู่ที่เกี่ยวกับกายก็มีเรื่องลมหายใจเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเรื่องของอิริยาบทสี่ยืนเดินนั่งนอน เรสัมปชัญญารู้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิง่งอนี้ส่วนของกายส่วนของเวทนาหลวงพ่อแนะนำให้ดูเวทนาทางใจใจสุขก็รู้ใจเฉยเฉยก็รู้ใจทุกข์ก็รู้ดูอย่างนี้เรื่อยๆดูจนเคยชินที่จะรู้รู้จนเคยชินที่จะรู้ต่อไปจิตอยู่ๆมีความสุขขึ้นมากระทบมารมณ์แล้วมีความสุขขึ้นมาอย่างเงี้ยจะรู้ได้เร็วไม่หลงยาวหรอกนั้นต้องฝึก จะดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ของคุณดูเวทนาจะง่ายใจสุขใจทุกข์ใจเฉยๆดูบ่อยๆมีตรงนี้เวทนาตัวนี้เป็นเครื่องอยู่ของจิตจิตจะค่อยมีกำลังขึ้นมาต่อไปมันขยับไเยื่อนนิดเดียวก็เห็นเองจะเห็นได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นหมายเลขร้อยสามสิบสองค่ะ เมื่อปีก่อนมาอยู่วัดหลวงพ่อให้กันบ้านหายใจพร้อมบริกรรมพุทโธนับหนึ่งปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนช่วงที่ผ่านมารู้สึกกิเลสโทสะเข้ามาแทรกเยอะจิตใจเศร้าหมองขอหลวงพ่อเมตตาให้กันบ้านเพื่อไปปฏิบัติต่อให้พัฒนาขึ้นค่ะอย่าไปเกลียดมันโทสะเกิดก็รู้ว่าโทสะเกิดเศร้าหมองก็รู้ว่าเศร้าหมองถ้าอยากหายนนะจิตจะดิ้น ยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์นะงั้นเป็นกลางกับมันให้รู้ทันเลยใจไม่ชอบให้รู้ตรงที่ไม่ชอบเนี่ยเพาเรารู้ทันใจที่ไม่ชอบนะความไม่ชอบดับใจเป็นกลางเห็นโทสะอยู่ด้วยใจเป็นกลางโทสะก็จะดับเองแหละเห็นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นใจเป็นกลางความฟุ้งซ่านก็ดับเองแหละไม่ต้องหาทางดับให้รู้ทันตรงที่ใจไม่ชอบ ไปฝึกเหล่านี้แหละหมดแล้วใช่ไหมเพื่อว่าจะถามนิดนึงคนจีนเนี่ยเขาได้จับฉลากด้วยไหมมาจับด้วยป่ะเขามีสิทธิ์ส่งชื่อเดือนละหนึ่งครั้งค่ะเท่าคนไทยค่ะออโอเคแล้วก็เอามาจับฉลากเอาใช่ไหมจับพร้อมคนไทยคะ่ะโอเคนึกว่าคนจีนจับฉลากไม่เป็นไม่ <laughs> เมื่อกี้ใครลืมหายใจบ้างลืมหายใจใช่ใครหายใจอยู่เราหายใจอยู่ตลอดเวลาแหละแต่เราลืมการหายใจนั้นลมหายใจไม่เคยหายไปไหนไม่เคยหนีจากเราเราทางหากหนีมันไปใจเราหนีไปที่อื่นงั้นเราเป็นคนนอกใจนอกใจเพื่อนรักของเราลมหายใจนี่เองใจเราหนีไปที่อื่นออกนอ ก, นอก เรียกว่าพกนอกใจหนีหนีไปพยายามอยู่กับลมหายใจของเราไปนะอยู่หายใจเข้าพูดออกโทอะไรก็ได้หายใจอย่างเดียวก็ได้หรือจะพุธโทอย่างเดียวก็ยังได้ขอให้จิตมันมีบ้านมีเครื่องอยู่แล้วพอมันหนีไปเราจะได้หลงไม่ยาวะเราฝึกไปไเรื่อยจิตจะมีพลังขึ้นมาพอจิตมีพลังเนี่ยเราไม่ได้เจตนาจะรู้ตัวมันก็รู้ตัวได้เองพอจิตมันเคลื่อนไม่เจตนาจะเห็นมันก็เห็นได้เอง ถ้ามันมีพลังถ้าไม่มีพลังนั้นหลงได้แต่เช้ายันเย็นยังไม่รู้เลยเพราะฉั้นอยู่กับเครื่องอยู่ของเราไว้ให้ดีอย่าละทิ้งเครื่องอยู่ในสติปัฏฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเนตัวแรกที่เราต้องฝึกนะต้องมีวิหารธรรมกายเยกายานุปัสสีวิหารติใช้กายในกายเป็นวิหารธรรมใช้เวทนาในเวทนาเป็นวิหารธรรมใช้จิตในจิต เป็นวิหารธรรมใช้ธรรมในธรรมเป็นวิหารธรรมกายในกายหมายถึงเราเรียนรู้กายบางอย่างเรียนรู้บางอย่างนะแล้วถ้าเข้าใจแล้วมันจะเข้าใจกายทั้งหมดอย่างเราเห็นร่างกายที่หายใจออกเห็นร่างกายที่หายใจเข้านี่ธรรมานาปนสตินี่เป็นกายในกายจะเรียนรู้เรื่องกายหายใจพอเห็นกายหายใจออกไม่ใช่เรากายหายใจไม่ใช่เราเนี่ยกายทั้งหมดก็ไม่ใช่เราละหรือเราเรียนกายในกายอีกแบบหนึ่งนะ ร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั <ga> ่งร่างกายนอนนี่เป็นอีกเซตหนึ่งกายยืนเดินนั่งนอนนี่เซตหนึ่งกายหายใจออกหายใจเข้าเซตหนึ่งเรียนทีละเซตก็พอแล้วไม่ต้องเรียนเยอะหรอกถ้าเห็นร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนไม่ใช่เรากายก็ไม่เป็นเราแล้วถ้าเห็นร่างกายกระดุกกระดิกร่างกายหยุดนิ่งกระดุกกระดิกไม่ใช่เราหยุดนิ่งไม่ใช่เรากายทั้งหมดก็ไม่ใช่เราแล้วไม่เวลาเรียนเนี้ยเรียนบางส่วนเท่านั้น แลเวลาเข้าใจเข้าใจทั้งหมดนนี่พระพุทธเจ้าท่านเลือกมาให้เราแล้วอารมณ์กรรมฐานพวกนี้ไปดูเอาในสติปัฏฐานท่านเลือกไว้ให้แล้วไปดูเอากายก็มีเวทนาก็มีจิตเกามีจิตมีราคะจิตไม่มีราคะนี่เซตหนึ่งจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะนี่อีกเซตหนึ่งจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะจิตหลงกับจิตรู้ว่านี่ก็เซตหนึ่งจิตฟุ้งซ่านจิตโหดโผนี่อีกเซตหนึ่ง มีเป็นเซเรียนเป็นเซตวิหารธรรมของเราเซตอันแรกเลยทางกายและหายใจร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้านี่เรียกว่ามีวิหารธรรมนในกายเยกายานุปัสสีวิหรติมีกายในกายเป็นวิหารธรรมอาตาปีมีวิหารธรรมเพื่อแผดเผากิเลสไม่ใช่เพื่อสนองกิเลสนั่งแล้วอยากใหญ่อยากโตอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้ไม่ใช่เรื่องหรอกไม่ได้เรื่อง นั่งเพื่อจะแผดเผากิเลสให้เราร้อนไม่ใช่เล่าร้อนเพราะกิเลสนั่งแล้วเมื่อไหร่จะหมดเวลาสตีอะไรเงี้ย น, น, นี่ไม่ใช่นะมีวิหารธรรมอาตาปีสัมปชาญโญนะมีความรู้ว่าเราจะต้องทําอะไรเรียสัมปชัญญะรู้ว่าเราควรจะทําอะไรเราไม่หลงลืมสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เช่นเรากําลังอยู่กับวิหารธรรมของเราเนะี่ยเราไม่หลงลืมวิหารธรรมของเรานี่ตัวสัมปชาญโนสติมา สติมีสติเราอยู่กับเครื่องอยู่ของเราเนี้ยพอจิตมันเคลื่อนพุ๊บสติระลึกได้เองแล้ค่อยๆฝึกไปแล้วตัวสุดท้ายก็คือวินัยยะโลเกอพิชาโทมานัสสะถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสร็จได้สิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือรูประธรรมนามธรรมา ท, ที่ประกอบกันเป็นตัวเรานั่นแหละแม้ตัวสุดท้ายมันคือตัวที่เป็นกลางเพราะฉะนั้นอย่างเห็นโทมานัส มีสติรู้ว่ามีโทสะแล้วแต่จิตไม่เป็นกลางอยากให้โทสะหายเนี่ยอันนี้ยังไม่เต็มหลักของสติปัฏฐานถ้าเต็มหลักของสติปัฏฐานนโอยนี่ยินร้ายแล้วยินร้ายกับอารมณ์โกรธยินร้ายกับความฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยรู้เข้าไปอย่างนี้ความยินดียินร้ายมันจะดับนะหรือจิตสว่างว่างยินดีนี่ก็ยังใช้ไม่ได้ต้องรู้อีกว่าหลงยินดีต้องถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได้ ฝึกอย่างนี้นะถึงจะเจริญมีเครื่องอยู่ก่อนต้องมีแล้วตัวสุดท้ายต้องเป็นกลางอะไรเกิดขึ้นในกายเป็นกลางอะไรเกิดขึ้นในจิตก็เป็นกลางทำยังไงถึงเป็นกลางมีสติรู้ทันว่าไม่เป็นกลางแล้วมันจะเป็นกลางเองเรียนอย่างนี้นะให้มันได้หลักให้มันได้เนื้อได้น้ำํำเรียนแล้วได้แต่ผิวได้แต่เปลือกกิเลนไม่กระเทือนเลยเรียน เสื่องเสื่องซึมๆึมไปพุดโทเล่นเล่นหายใจเล่นเล่นทำบ้างไม่ทำบ้างกิเลสหนังไม่ถลอกเลยนะใ้ไม่ได้หรอกอ่ะเชิญหมดเวลาแล้ว